จะเป็นสิ่งจำแนกสัตว์การมีสติไปในกายในจิตใจถือเป็นกรรมดีและไม่มีกรรมใดๆที่จะถูกต้องไปกว่าการมีสติไปในกายในใจหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโน การปฏิบัติธรรมก็คือการเจริญสติตามรู้กายรู้ใจในขณะปัจจุบันเรารู้กายรู้ใจก็เพื่อว่าให้รู้ความจริงของกายของใจว่าไม่เที่ยงอย่างไรเป็นทุกข์อย่างไรบังคับบัญชาไม่ได้อย่างไรนี่ยสำหรับได้รู้ความจริงของกายของใจ การปฏิบัติก็คือเป็นเรื่องของการกระทํากรรมนั่นแหละกรรมคือการกระทําแต่การปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นการกระทํากรรมดีคือกุศลธรรมเราต้องตกอยู่ในอนํานาจของกรรมแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็สามารถที่จะอยู่ในอนํานาจที่เป็นกรรมของการกระทําที่เป็นกรรมดีก็ได้ แล้วก็สั่งสมเอาไว้เรื่องของกรรมดีเนี่ยสั่งสมเอาไว้เราจะได้เข้าใจตัวเราเองแล้วก็รู้จักเกี่ยวกับเรื่องกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเราเอาไว้ยอมรับเพราะชีวิตเราที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ไม่ได้ทํากรรมดีอย่างเดียวหรอกกรรมไม่ดีเราก็ทํามาเหมือนกันอนดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราพอจะสํารวจได้ไหมว่าระหว่างกรรมดี กับกรรมไม่ดีเนี่ยอะไรมันจะมากกว่ากันแต่เมื่อเราสำรวจแล้วเห็นว่ากรรมที่เราทำไม่ดีมันก็มีเหมือนกันบางทีอาจจะมีเยอะกรรมดีเรามีน้อยก็มไม่เป็นไรนะจะเยอะหรือจะน้อยมันก็เป็นกรรมที่มันผ่านไปแล้วเราก็เริ่มต้นใหม่ได้เราเริ่มต้นทำกรรมดีสร้างกรรมดีที่เป็นฝ่ายกุศ ล, ลธรรมกุศ ล, ลกรรมเนี่ย ให้มากเขาไว้พอกุศลธรรมที่มีมากขึ้นกรรมที่มีดีเนี่ยมันก็จะตามมาส่งผลได้ไม่ทันนะตามมาช้าเพราะว่าถูกกร ร, รมดีเนี่ยแซงหน้าไปหมดแล้วก็ต้องมาเพียรสร้างกรรมดีเอาไว้ทำดีพูดดีคิดดีแต่โดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติธรรมเนี่ย เป็นกรรมที่เป็นฝ่ายกุศลเป็นกุศ ล, ลธรรมซึ่งเป็นกุศ ล, ลกรรมที่เป็นฝ่ายดีเป็นกุศ ล, ลธรรมที่ดีที่สุดเลยการปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดก็เพราะว่าทำแล้วมันพ้นทุกข์ได้เนี่ยถ้าพ้นทุกข์ได้แล้วก็ถือว่าเป็นธงชัยของการใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้เลยถ้าจะเป็นเหรียญทองแล้วก็ถือว่าเป็นเหรียญอันดับหนึ่ง คล้องเหรียญทองอันดับหนึ่งคือพ้นทุกได้เหรียญที่เราได้มานั้นอาจจะเป็นเหรียญทองแดงเหรียญเงินหรือเหรียญทองมากมายอันนั้นเป็นเพียงแค่เหรียญเพื่อเชิดชูเกียรตินั้นบาที่ได้รับเหรียญทองแล้วใจก็อยากพ้นทุกขก็มีนะก็ยังไม่ใช่ทองแท้ถ้าเหรียญทองแท้ก็ต้องพ้นทุกเป็นชัยชนะที่ไม่ต้องมีเหรียญคล้องภายนอกแต่ความไม่ทุกเนี่ยมันคล้องใจไว้ได้ ก็ดยการประพฤติ ธ, ธรรมปฏิบัติธรรมสร้างกุศลธรรมมันก็พม่ทุกข์ได้เพราะว่าบางเรื่องบางสถานการณ์เนี่ยบางทีเราก็จะต้องเผชิญหน้ากับสิ่งเหล่านั้นถ้ า, าว่าใจเรายังเป็นทุกข์อยู่เนี่ยเราเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยนอกจากเราจะแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วปัญหาภายนอกก็ไม่ถูกแก้ไขปัญหาใจเราก็ไม่ถูกแก้ไขไปด้วย คือยังเป็นทุกข์อยู่ที่ใจเราเป็นทุกข์เพราะว่าเรายัางทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ต่างๆกับสิ่งที่ปรากฏรอบตัวเราแม้กระทั่งตัวเราแต่ถ้าเรามีการปฏิบัติธรรมฟังธรรมะคิดเรื่องธรรมะปฏิบัติธรรมะแล้วเนี่ยมันมีข้อมูลนะมีข้อมูลทางด้านจิตใจคือถ้าเราปฏิบัติแล้วธรรมะมันก็เข้าสู่จิตใจเราใจเราก็จะมีข้อมูล ข้อมูลทางใจเนี่ยมีไว้เพื่อทำใจทำใจไม่ให้ทุกข์ทำใจให้เป็นปกติกับเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นทั้งนอกตัวในตัวเพราะว่าสถานการณ์บางอย่างเราเลือกไม่ได้เราเลือกไม่ได้เราต้องไปเชิญหน้าแน่นอนแต่เราเลือกจิตใจทำใจไม่ให้ทุกข์ได้กับในสถานการณ์นั้นแล้วใจเนี่ยมันทำได้ก่อนด้วยบางทีทำใจได้เนี่ย สิ่งภายนอกไม่ต้องไปทำอะไรเลยนะมาดีตอนนีน้การฟังธรรมะการปฏิบัติธรรมะเนี่ยก็เพื่ อ, อไว้ทำใจไม่ทุกข์ใจที่ไม่ทุกข์เป็นอย่างไรคือใจที่เป็นปกติใจที่เป็นปกติกตไม่ซัดสายไม่ดินนน้นรนไม่กระวนกระวายใจที่เป็นปกติบางสถานการณ์บางอย่างเนี่เราเราไม่ชอบใจเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแต่ถ้าเราทาใจได้เนี่ย ก็คือเป็นการยอมรับมันได้เหมือนกันนะแม้ว่าสิ่ง น, นั้นเนี่ยเราไม่ชอบใจการทําใจนี่ก็อย่าไปคิดมากไม่ใช่ว่าทําใจให้มันชอบใ่ใจอย่างนั้นการทําใจคือการทําความเข้าใจทําความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งนอกตัวในตัวทําความเข้าใจตามความเป็นจริงจิตมันก็จะปกตินีไอ้ที่มันไม่ปกติเพราะเราไม่เข้าใจ เมื่อไม่เข้าใจแล้วเราก็เป็นทุกข์ไปแต่ถ้าทําทำความเข้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันก็ทำใจได้แล้วทำใจเป็นปกติก็ไม่ทุกข์ได้แล้วมันทำได้ก่อนมันทำได้ก่อนเลยการทำใจเนี่ยอย่างเช่นว่าเกิดการป่วยไข้อ่ ะ, อะเรื่องไกลๆตัวเลยนะการป่วยไข้ที่เกิดขึ้นทันทันร่างกายเนี่ยไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงได้หรอกทุกๆคนที่เกิดมา มีกายมีจิตมีขันหา้ามีรูปมีนามเนี่ยก็ย่อมนี้ไม่พ้นเรื่องการป่วยไข้นั่นตัวเป็นเรื่องธรรมดาเอาเป็นธรรมชา ต, ติมีการเป็นไข้เป็นหวัดปวดหัวตัวร้อนร่างกายเขาก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าคนทําใจไม่ได้เนี่ยมันก็งุดงิ ด, งดอึดอัดไม่สบายใจด้ว ย, ยการป่วยไข้ทางกายก็เลยทําให้ เกิดการไม่สบายใจทางจิตทางใจก็ทุกสองต่อไปเพราะเราทำใจไม่ได้แต่ถ้าเราทําความเข้าใจว่าอ๋อเรื่องการป่วยไข้นี่เป็นเรื่องธรรมดานะ เ, นเรื่องธรรมดาใครๆก็เป็นอย่างนี้ทั้งนั้นแหละเนี่ยเป็นการเริ่มทําใจคือเริ่มทําความเข้าใจกับการป่วยไข้ทางนั้นร่างกายใจมันก็จะเริ่มเป็นปกติแล้วถ้าเราทําใจได้หรือทําความเข้าใจได้ ใจปกติแล้วเนี่ยบางทีโรคทางกายเดี๋ยมันก็จากที่เกิดมันจะรุนแรงเนี่ยมันก็ทุเลาลงไปได้เหมือนกันนะใจนี่สำคัญนะถ้าทําใจได้เนี่ยร่างกายมันก็ค่อยๆผ่อนค่อยๆ ค, ค, ค, ค, คลายหายจากโรคไปก็เจ็บก็ได้แม้ไม่หายมันก็ไม่รุนแรงมากยิ่งขึ้นที่นี้พอเราทําใจได้แล้วในขณะที่ร่างกายเราป่วยเป็นไข้เนี่ยมันก็จะมีสติมีปัญญา ที่จะช่วยร่างกายช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นร่างกายอาจจะไปหายาทาหรือไปทานยาหรือไปผ่าตัดคือรักษาร่างกายไปตามปกติตามหน้าที่ตามอาการด้วยสติแล้วก็ทาใจต่อไปว่าเอา้าหายก็หายไม่หายก็ไม่หายเนี่ยทใจไป ก, กลางกลางเอาไว้เนี่ยรับรองเนี่ยใจมันไม่ทุกข์ละแม้ว่าร่างกายยังต้องติดป่วยอยู่ ถ้าทำใจได้เนี่ยบางทีปัญหาต่างๆเนี่ยมันก็ค่อย <c oughs> ๆคลี่คลายไม่ต้องทำอะไรมากมายส่วนการดูแลรักษาเขาทำไปนะดูแลรักษาไปตามอาการรักษากายด้วยยาด้วยหมอแต่รักษาใจด้วยสติด้วยความเข้าใจของเรามันก็จะช่วยแก้ปัญหาเราได้ที่จริงร่างกายเขาบอกไอ้ที่มันเกิดการป่วยใกล้ได้ร่างกายเนี่ยเขาบอกเรานะ เขาบอกความจริงให้กับเราทราบหรือว่าเป็นศาสนาธรรมก็ได้เราอาจจะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องพฤติกรรมเราไม่ดีทานอาหารไม่เป็นเวลาไม่ได้พักผ่อนหรือทานอาหารอะไรมากเกินไปจึงเกิดมีภาะวะแทรกซ้อนทางร่างกายร่างกายก็ผิดปกติคือเขาบอกความจริงเขาพยายามจะบอกเราด้วยอาการของความป่วยไข้นี่แหละบางทีเราอยู่เฉยๆเนี่ยทําไมมีอาการไข้ทําไมมัน มีอาการแทรกออกมาบางทีมันเกิดอาจจะเกิดจากการอักเสบของด้านร่างกายก็ได้คือเขาพยายามบอกแต่ถ้าเราพยายามเรียนรู้สักหน่อยเราจะเข้าใจเรื่องร่างกายเร า, า จ, จะใช้ชีวิตไม่ถูกต้องบางทีก็เป็นสัจธรรมที่บอกว่าโอ้ร่างกายมันไม่เที่ยงนะร่างกายไม่เที่ยงมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเป็นทุกข์ไม่มีใครสามารถจะควบคุมหรือบังคับอะไรมันได้หรอกมันก็เป็นไปอย่างนั้นเอง บอกไม่ได้ว่าก็ไม่ฟังเนี่ยคือร่างกายนะคือเขาบอกสัจธทําให้กับเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้เราก็จะเข้าใจแล้วก็ทําใจได้กับสภาพร่างกายที่มันไม่ป ก, กติคือเขาบอกเขาเป็นครูสอนทำใหกับเราบางทีเราก็เข้าใจแล้วเราก็บางทีไม่ต้องรักษาก็ได้นะอาการเราั้นก็ค่อยดีขึ้นไปเองผู้ผู้นี้ก็เคยนะเคยมีอาการแทรกซ้อนทางร่างกาย เนื่องจากว่าร่างกายมันเคลื่อนไหวได้ไม่มากมันก็มีอาการแทรกซ้อนทางร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของลมในกระเพาะมีอาการท้องอืดจุกเสยียดแน่นอ๋เป็นภาวะที่แทรกซ้อนที่เกิดจากสภาพร่างกายที่มันเคลื่อนไหวได้น้อยอิเลียบทนี่มันไม่สม่ำเสมอยืนเดินก็ไม่ได้มีแต่ล่างกับนอนมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องมีโรคแทรกซ้อนมาก วันละหลายๆโลกแล้วก็มีเป็นธรรมดาเมื่อตอนที่เป็นใหม่ๆก็พยายามรักษาเพราะไม่รู้จักยอมรับไม่เข้าใจตัวเองรักษาร่างกายที่มีภาะวะแทรกซ้อนท้องอืดจุกเสียดนน่นทานยาก็แล้วหาหมอก็แล้วมันก็ได้แจ็ทุเลาลงนิดๆหน่อยแล้วมันก็เป็นอีกเคยไปปรึกษาคุณหมอที่โรงพยาบาล ทำไมผมจริงนี่มีอาการแบบนี้นะท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นประจำเนี่ยคุณหมอก็มองหน้าแล้วก็บอกว่าโอ้ธรรมดาร่างกายของเราเนี่ยมันมันไม่ปกติมันก็ต้องมีอาการอย่างนี้แหละหมอก็จะช่วยได้ก็ต่อเมื่อรักษาตามอาการไปใจมันหายเลยเนี่ยมันมันคงจะไม่ได้หรอกโอหมอไม่ได้กําลังใจแต่หมอพูดความจริงให้เราฟังเราก็ไม่เข้าใจมันก็น้อยใจเออ คำพูดที่ว่าก็เราเป็นอย่างเนี้ยมันต้องได้เป็นอย่างเนี้ยเพราะสภาพร่างกายเป็นเงนี้ยจึงมีอาการอย่างเงี้แหละเป็นธรรมดาเราไม่ยอมรับความจริงมันน่าจะหายน่าจะดีขึ้นเนี่ยไม่มีธรรมะมันก็ทําใจไม่ได้อย่างนี้แหละก็ทุกไปคุณหมอก็ให้ยามาคามิเนติเป็นยาแดงแก่ลมท้องอืดตกเสดแน่นแล้วผมก็เอามาทานมันก็ทุเลาลงได้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หายนะ แล้วช่ยผ่อนช่วยกลายสมัยก่อนยาคาเ ม, มเนตีปนี่ขวดละยี่สิบห้าบาทซื้อเป็นประจำมันก็ทุเลาลงไปน้ำหนักเข้าเนี่ยราคาขวดละ25บ้าบาทกลายเป็นขวดละห้าสิบห้าบาทต้องซื้อทุกเดือนเดือนละหนึ่งขวดหนึ่งขวดขวดละห้าสิบห้าบาทโอคงจะไม่ไหวแหละแล้วลยิ่งไล่หลังๆเนี่ยมันชักดื้อยาอาการท้องอืดจุกเสียดจุจกเสียดแน่นเ น, เนี่ยมันก็ไม่ค่อยหายนะชักดื้อยาเราก็เออ เมื่อมันไม่หายก็ต้องทําใจยอมรับมันไม่หายก็ไม่หายแล้วก็จะเลิกกินยาด้วยดูสิจะเป็นอย่างไรโอ้พอเราทําใจยอมรับวอ๋อร่างกายของเรามันมีสภาพอย่างนี้นะมันก็ต้องมีอาการอย่างนี้แหละทําความเข้าใจกับความจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเราเนี่ยใจมันก็สบายแล้วไม่ใช่ว่าโรคภัยกระเจ็บมันจะหายนะแต่มันก็ยังเป็นอยู่ยังอืดจังแน่นอยู่เป็นธรรมดาอะไรก็อยู่ด้วยกันเลยร่างกายที่ป่วยไข้ กับใจที่มันทําใจได้อยู่ด้วยกันโดยที่ไม่มีปัญหาโอ้ทําใจได้มันได้ยังนี้เองเนี่ยไม่ต้องไปหาซื้ อ, อยาแล้วนี่มันเป็นสัจธรรมจริงๆริชีวิตของเราหรือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมันไม่เที่ยงอยู่แล้วมันมีความทุกข์อยู่แล้วมันบังคับบัญชาไม่ได้อยู่แล้วมันเป็นอย่างนั้นเองถ้าเรายอมรับมันได้เนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราไปวุ่นวายกันนั้นมากมายเนี่ยเราก็เป็นทุกข์ซะเองเออมันก็ใช่เราไปวุ่นวายกับร่างกายมากเกินไปเนี่ย เราก็เป็นทุกข์เลยเองแต่ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยมันก็สบายใจเนี่ยใจมันยอมรับแต่บางทีถ้าเรายอมรับทางใจได้แล้วเนี่ยบางทีอารมณ์มันไม่ยอมนะอารมณ์หรือความคิดมันไม่ยอมมันพยายามต่อต้านมันก็มีเหมือนกันเรื่องของอารมณ์มันก็มาเป็นระยะๆเป็นคลื่นของมันเป็นระยะๆมันไม่ชอบใจมันอยากให้หายอยากให้หายมันอยากให้เป็นนายมันก็มีมันก็มีเป็นคลื่น แต่มันก็มาระยะหนึ่งแล้วมันก็ดับแี้มันก็มารุนแรงแล้วมันก็มาไม่รุนแรงแต่มันก็ดับแตกสลายไปทังนั้นอรารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทังจิตมันก็เหมือนอย่างที่เราเราเคยไปทะเลนะไปทะเลเราก็เห็นคลื่นในทะเลเราไปทะเลเราไม่ใช่ไปนั่งติดใจเมื่อรลอยเราก็ไปดูทะเลมันเกิดปัญญาโอ้ทะเลมันก็มีคลื่นคลื่นแต่ละลูกนี่ลูกเล็กลูกใหญ่ มันก็เป็นไหลมันเป็นคลื่นตั้งกาะตัวเป็นคลื่นมาพอถึงฝั่งมันกระทบฝั่งก็แตกสลายไปจะเป็นคลื่นลูกเล็กลูกใหญ่เนี่ยเวลามันเกาะตัวขึ้นมาเนี่ยพอกระทบฝั่งมันก็แตกสลายไปมันก็เหมือนจิตใจเราคลื่นทะเลก็เหมือนคลื่นอารมณ์บางทีมันก็เกิดเป็นลูกใหญ่อารมณ์รุนแรงแต่มันก็แตกสลายแม้กระทั่งอารมณ์ที่มันไม่รุนแรงเล็กน้อยมันก็แตกสลายไป ทั้งอารมณ์รุนแรงทั้งอารมณ์เล็กน้อยเป็นคลื่นอารมณ์เนี่ยพุท้าสมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโอ้เข้าใจเรื่องความคิดเข้าใจเรื่องอารมณ์เนี่ยมันก็ยิ่งทําใจได้ใหญ่เลคลื่นทะเลมันก็เหมือนคลื่นอารมณ์เนีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นถ้ า, าว่าเราเจอสถานาการณ์ใดก็ตามจะเป็นเหตุการณ์นอกตัวในตัวทุกข้างนอกทุกข้างในไม่เป็นไรหรอกสิ่งที่เราไม่ชอบใจ แต่เราก็สามารถทําใจได้ทําอะไรไม่ได้ทําใจก่อนทําใจให้ปกติทําใจให้ไม่ทุกข์ไว้ก่อนด้วยการมีสติอยู่เสมอๆนี่แหละเราก็จะแก้ปัญหาชีวิตเราได้ไม่ทุกข์ใจอย่างที่ภาษาธรรมเขาเรียกว่าโปรงสังเวทคือการโปรงใจยอมรับแต่การโปรงมีสองอย่างนะโปรงตกคือทําใจได้กับโปรงไม่ตกและทําใจไม่ได้เนี่ยก็เลือกเอา แต่ถ้าเราโปรงตกทําใจได้เราก็ไม่มีทุกข์แต่ถ้าเราโปรงไม่ตกทําใจไม่ได้เราก็ต้องเป็นทุกข์โดยประการาชนีแล